ทุกคนเนี่ยทั้งเนื้อทั้งตัวก็มีแค่กายกับใจ เ, เกิดมาก็มาพร้อมกับกายแล้วก็ใจที่เหลือนั่นก็มาทีหลังลกายกับใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกนะเป็นสิ่งที่ต้องฝึกรักษาอย่างเดียวไม่พอก็ต้องฝึกด้วย ฝึกทั้งกายแล้วก็ฝึกทั้งใจจึงจะทำให้ชีวิตมีความสุขได้ที่เรียกว่ามนุษย์คือเวนัยสัตว์เนี่ยก็คืออันนี้แหละเวนัยะก็คือความความสามารถที่จะฝึกได้มันก็มาจากคำว่าวิณัยนะวินัยกับเวนยยะก็อันเดียวกันเป็นเรื่องการฝึกฝน วินัยของพระนี่ก็เพื่อฝึกฝนนะให้ชีวิตเจริญงอกงามแต่ว่าการฝึกฝนของคนเราเนี่ยไม่ว่าพระหรือคารวาเนี่ยมันมันก็มากกว่าสิ่งที่เรียกวินัยนะอันนี้การฝึกกายกับใจเนี่ย ดูดีๆนี่มันก็ไปกันคนละทางเลยนะกายเนี่ยเราฝึกเพื่อเราฝึกเพื่อให้กายเนี่ยเคลื่อนไหวขยับขยื่นธรรมชาติของกายเนี่ยมันชอบอยู่นิ่งๆไม่ค่อยอยากข ย, ขยับขยื่นเท่าไหร่ถ้าไม่ปวดไม่เมื่อยนะมันก็ไม่ขยับนะ เช่เวล า, เานั่งเนี่ยนะถ้านั่งแล้วโดยที่ไม่ปวดไม่เมื่อเนะี่ยเราก็อยากจะนั่งไปเรื่อยๆไม่เคยอยากจะลุกกันะแต่ที่ลุกแล้วก็บางทีก็ต้องบิดตัวไปบิดตัวมาก็เพราะว่ามันเมื่อยเวลานอนเราก็อยากจะนอนอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งไปนานๆแต่มันก็นอนไม่ได้ในท่านั้นนานๆเพราะว่าปวดเมื่อยก็ต้องขยับนะธรรมชาติของกายเนี่ยมันชอบอยู่นิ่งๆ แต่ถ้าปล่อยให้อยู่นิ่งๆไปมันก็มันก็ไม่ดีกับร่างกายนะเนื่อเขาสมัยนี้เนี่ยเรากินอาหารอะไรต่ออะไรเข้าไปเหมือนกับว่าเราเติมพลังงานเข้าไปแต่ไม่ได้ใช้เลยถ้าไม่ได้ใช้เลยเพราะเอาแต่นั่งนั่งนอนนอนมันก็กลายเป็นอันตรายนะสิ่งที่เราเติมเข้าไปในร่างกายเนี่ย แม้มันจะเป็นอาหารก็ตามแต่พอมันกลายเป็นไขมันแล้วมันไม่ได้ใช้ก็ทำให้เกิดโรคภยัยไข้เจ็บต่างๆนา น, นาโรคอ้วโรคหัวใจโรคเบาหวานแลโรคมะเร็งด้ว ย, ยงั้นถ้าต้องการชีวิตที่ผาสุปก็ต้องฝึกกายให้มันเคยยื่นขยับนะช้าหรือเร็วก็แล้วแต่ก็เราเรียกว่าออกกาลังกายนะ อากกำลังกายมันก็แล้ ว, แ, ลวแต่ เ, เรื่องการทําให้กายคือเยื่อดขยับนะเดินบ้างวิ่งบ้างขี่จักรยานบ้างหรือไม่ก็อ่ายกน้ําหนักนกายมันก็ไม่เคยชอบนะเพราะอย่างที่บอกธรรมชาติของมันมันชอบอยู่นิ่งๆถ้าไม่หิวนะก็ไม่ออกไปหากินนะนะแต่สมัยนี้ไม่ต้องไปออกไม่ต้องออกไปหากินก็ได้นะเรา เรียกให้เขามาส่ง delivery ยิ่งส บ, บายเ็าไปใหญ่นะเด็กสมัยนี้บางทีนั่งทั้งวันโดยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยนะหิวก็สั่งพิซซ่ามาส่งถึงบ้านผู้ใหญ่ก็เหมือนกันวิธีชีวิตเช่นนี้มันก็เลยเป็นอันตรายต่อสุขภาพกายเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการรณรงค์นะ ให้ออกกําลังกายกันให้มากขึ้นนะให้เป็นกิจวัตรประจําวันนะซึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายนะเพราะอย่างที่บอกกายไม่ชอบนะกายไม่ชอบออกกําลังกายกายมัไม่ชอบขยันขยับนะก็ต้องลุ้นนะก็ต้องมีการชักชวนนะาการฝึกกายนะพูดรวมๆโดยสรุปกค็คือมันต้อง ทำให้คขยืดขยับนะส่วนการฝึกใจเนี่ยนะตรงข้ามนะธรรมชาติของใจมันชอบเที่ยวชอบเล่นนะชอบอ่วิ่งไปโนโดวิ่งไปนี่มันไม่ชอบอยู่นิ่งนะจะให้อยู่นิ่งนิ่งนี่เขาไม่ชอบนะก็จะออกไปนะออกไปข้างนอกจินตนาการนะ ไปร้อยแปดซึ่งส่วนใหญ่ก็ถ้าไม่ไหลไปอดีตก็ลอยไปอนาคตทนะ่องเที่ยวอยู่ในสองโลกนี่แหละโลกของอดีตกับโลกของอนาคตและไม่ใช่ท่องไปเปล่าๆนะกลับมาก็เอาความทุกข์มาให้เราด้วยพอท่องไปในอดีตก็ไปนึกถึง ความสูญเสียความพัดพรากที่เกิดขึ้นนึกถึงความล้มเหลวนึกถึงคาต่อว่าดาทหรือว่าการคดโกงการทำร้ายนะที่ผู้อื่นกระทำกับเราก็เจ็บแค้นนะบางทีก็นึกถึงความผิดพลาดที่ได้กระทำกับผู้มีพระคุณขึ้นเสียงนะตะวาดใส่ท่าน หรือว่าไม่ได้ดูแลท่านในวาระสุดท้ายในบ้านปลายชีวิตนะพอท่านจากไปก็มานึกเสียใจนะบางทีก็นึกตำหนิตัวเองที่ไปนะทำไม่ดีกับลูกละเลยลูกนะหรือว่าบีบบังคับลูกนะจวบางทีลูกเพี้ยนไปเลยหรือว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้า สารพัดนันนะเรื่องราวในอดีตเนี่ยพอนึกถึงพอท่องเที่ยวนะจนลืมเนื้อลื ม, ลมตัวก็เกิดความเศร้าเกิดความเสียใจหรือแม้เกิดความโกรธแค้นนะพอใจท่องไปในโลกของอนาคตก็วิตกกังวลแล้วนะงานการเยอะแยะยังไม่ได้ทำวิตกกังวลเรื่องลูก จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ยังไม่มีที่เรียนนะบางทีก็นึกไปถึงหนี้สินที่ยังอ่ายังไม่ได้ชําระกองโตแต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะชําระสาสางได้หมดคิดไปแล้วบางทีก็ท้ออยากจะฆ่าตัวตายเนี่ยเนี่ยจิต ท, ที่มันชอบท่องเที่ยวเนี่ยนะมันก็นําพาความทุกข์มาให้แม้แต่ อยู่ที่นี่นะมันก็ไม่ที่จริงก็ไม่ค่อยลาบากอะไรอยู่แล้วนะก็ไม่ต้องทำอะไรนอกจากเดินนะกับนั่งแต่ว่าพอไปนึกถึงความสนุกสนานที่อ่าที่เคยมีเคยเสพนะถ้าอยู่บ้านป่า น, นี้ก็ได้นอนสบายนะได้ฟังเพลงได้กินของอร่อยนะได้อยู่กับคนรักพอนึกแบบนี้เข้าก็เคยความสึกอึดอัดนะกับการปฏิบัติ จิตมันดิ้นอยากจะห น, นีออกไปนกลายเป็นความทุกข์ไอ้จิตที่ท่องเที่ยวเนี่ยนะมันมักจะนําความทุกข์มาให้แม้ว่าบางครั้งมันจะทําให้เกิดความเพลิดเพลินนะอย่างที่เราฝันกลางวันอันนี้นก็มีอยู่แต่บ่อยครั้งมันก็เอาความทุกข์มาให้ถ้าเราฝึกจิตเนี่ยก็ต้องฝึกจิตให้เขารู้จักนิ่งๆบ้างการฝึกจิตที่สําคัญคือการฝึกจิตให้นิ่งนะ ไม่ใช่ท่องเที่ยวเตลิดเปิดเปิงนะจนกระทั่งระหกระเหินแล้วก็กระเซาอรกระเซิงกลับมาด้วยความเหนื่อยล้ากระเซาอรกระเซิงกลับมาเดี๋ยวอยู่เดี๋ยวเดียวไปอีกแล้วถ้าเราฝึกจิตให้รู้จักนิ่งเนี่ยนะมันจะมีความสุขมากเลยจิตที่นิ่งก็เรียกว่าเป็นจิตที่สงบสุขนะแต่ว่าจิตมันก็ไม่ค่อยอยากจะนิ่งเท่าไหร่ มันก็จะดิ้นรนขัดขืนที่จะท่องเที่ยวเราก็ต้องรู้จักนะตนล่อมเขาให้รู้ให้ให้อยู่นิ่งให้กลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวให้กลับมาอยู่กับกายให้กลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อแล้วก็ตามที่จิตนิ่งนะเพราะว่าพึงพอใจในการอยู่กับปัจจุบันนะพึงพอใจกับการอยู่กับเนื้อกับตัวอันนั้นแหละคือความสุขนะ แล้วมันก็มันก็จะตัดที่มาแห่งความทุกข์ต่างๆนานาไปได้เยอะไม่ว่าความกลวัวความเศร้านะความรู้สึกผิดความวิตกกังวลนะหรือว่าความโลภที่คอยนึกอยากได้สิ่งที่ยังไม่มีเห็นคนนึ่งก็มีกันก็อยากได้นะจิตมันไปแล้วการฝึกจิตให้นิ่งนะมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะ สมัยนี้เนี่ยเรามวัวแต่ฝึกจิตให้คิดเก่งนะคิดได้สารพัดจินตนาการต่างๆนะซึ่งอันนี้ก็มีประโยชน์แต่ว่าพอส่งเสริมให้มันคิดคิดคิดคิดคิดปราะว่ามันคิดไม่หยุดนะมันท่องเที่ยวไปเรื่อยถึงเวลาจะนอนก็นอนไม่หลับนะเพราะมันเอาแต่คิดนะถึงเวลาจะพักผ่อนก็พักผ่อนไม่ได้ เพมันก็ยังคิดไปถึงงานนะคิดไปถึงอะไรต่ออะไรมากมายการภาวนาเนี่ยนะก็คือการฝึกจิตให้รู้จักนิ่งซึ่งมันเป็นการสวนกับธรรมชาตินะของจิตธรรมชาติที่เราก็ไปช่วยสร้างไปช่วยเสริมให้มันนะเป็นหนักขึ้นนะจนกระทั่งเป็นนิสัยที่แก้ได้ยากแต่ก็ยัง เป็นนิสัยที่แก้ได้นะเลยทําให้จิตนิ่งทําให้จิตอยู่กับเนื้อกับตัวได้อย่างไรนะหลายคนเนี่ยพอถึงเวลาทําจิตให้นิ่งเนี่ย <c ười> ก็พยายามบังคับจิตนะพยายามบังคับจิตเช่นบังคับจิตให้อยู่กับลมหายใจบ้างบังคับจิตให้อยู่กับมือที่กําลังยกบังคับจิตให้อยู่กับเท้าที่กาลังเดินบ้า ง, า ง, <c ười> างการทําอย่างนั้นเนี่ยนะมันยิ่งทําให้จิตเนี่ย ต่อต้านขัดขืนพอาะเขาจะรู้สึกว่ากายเนี่ยมันกลายเป็นคุกแล้วพอเขารู้สึกว่ากายนี้เป็นคุกพอถูกบังคับให้อยู่เขาก็จะต่อสู้เขาก็จะขัดขืนก็เหมือนกับเด็กนะเด็กวัยรุ่นเนี่ยถ้าเราถ้าพ่อแม่เนี่ยบังคับเขาให้อยู่บ้านเนี่ยก็จะรู้สึกทันทีว่าบ้านคือคุก แล้วพอคิดว่าบ้านคือคุกแล้วเนี่ยเขาก็พยายามหนีนะเด็กที่เด็กวัยรุ่นที่ใจแตกนะที่ชอบนะเที่ยวไม่อยู่ติดที่เนี่ยแล้วพ่อแม่ก็กุ้มใจว่าทําไมลูกไม่ข่อยอยู่บ้านพยายามบังคับลูกให้อยู่บ้านลูกก็ยิ่งเตลดิดนเหตุผลหนึ่งก็เพราะาเขารู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันมันคือคุก มีแต่การ บ, างรบนะรังคับจใจของเราก็เหมือนกันนะถ้าเราไปบังคับเขาเนี่ยนะบังคับไปอยู่กับกายเขาจะรู้สึกว่ามันเป็นคุกแล้วเขาก็จะพยายามหนีแล้วพอเห็นจิตหนีก็ยิ่งบังคับเข้าไปใหญ่คราวนี้จิตอรารวาเลยหลายคนพอพยายามบังคับจิตให้อยู่นิ่งๆไม่ให้ฟุ้ง ไม่ให้คิดจะเริ่มมีอาการแน่นหน้าอกปวดหัวหรือว่าหายใจไม่ค่อยไม่ค่อยสะดวกมันทีก็ปวดหลังถ้าเดินมากๆก็ปวดปวดขาอาการพวกนี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เพราะว่าใช้กายมากนะแต่เป็นเพราะว่าไปบังคับจิตจิตมันก็เลยต่อสู้ขัดขืนมันก็เลยพยศ บางทีบังคับให้มันหยุดคิดก็พอได้นะกลางวันนี่แทบจะไม่ค่อยได้คิดอะไรเลยเพราะเราพยายามบังคับมันแต่พอเราเผลอเมื่มอไหร่เช่นเวลากลางคืนเวลาจะนอนมันก็พลั้งพลูออกมาจนนอนไม่หลับนะบางทีอาจจะหลับนะแต่ว่ามันไปโผล่ในความฝันฝันนะฝันร้อยแปดเลย อันนี้ก็เหมือนกับว่ามันพยายามต่อสู้ขัดขืนยิ่งบังคับไม่ให้มันคิดมันก็ยิ่งคิดเข้าไปใหญ่ธรรมชาติจิตนี่แปลกนะยิ่งบังคับมันมันยิ่งต่อต้านยิ่งบังคับไม่ให้คิดมันยิ่งคิดนะยิ่งบังคับให้อยู่นิ่งๆมันยิ่งวิ่งยิ่งเตลิดจิ่งเที่ยวยิ่งวิ่งหนีเข้าไปใหญ่ต้องทาให กายนี่เป็นบ้านที่ทำให้จิตเนี่ยอยากจะมาอยู่วิธีการคือจะไปบังคับเขานะอนุญาตให้เขาเนี่ยให้จิตเนี่ยมันมีอิสระที่จะมาแล้วก็ไปได้แม้เราจะไม่ชอบให้จิตมันไปให้จิตมันออกจากเนื้อจากตัวแต่ถ้าไปบังคับเขา ก, ก็ยิ่งเกิดผลเสีย บ้านก็คือที่ที่ที่เรามีอิสระที่จะเข้าจะออกนะมีลูกมีหลานอย่าให้ลูกหลานรู้สึกว่านี่คือบ้านก็หม่เขาต้องเขามีอิสระนะที่เขาจะมาแล้วก็จะไปได้แล้วก็เป็นที่ที่ที่เขาได้รับความรักได้รับความอบอุ่นได้รับความเข้าใจไมนะ่ใช่อยู่บ้านมีแต่ถูกดุถูกดา่าถูกบังคับให้ฟังนะ บางทีเราก็ทำอย่างนั้นกับจิตใจของเรานะบังคับจิตนะพอจิตมันฟุ้งก็ก็ไปต่อว่านะไปต่อว่าเขานะมีความรู้สึกโมโหนะเวลาจิตมันฟุง้งนะต้องทำใจเย็นๆนะจิตมันจะฟุ้งไปคิดไปกี่เรื่องกี่ลาวเรก็อย่าไปโกรธเขานะอย่าไปหงุดหงิดใส่เขา รู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมารู้ตัวเมื่อไหร่ก็กลับมาจะฟุ้งไปกี่เรื่องกี่ราวก็ไม่ไปโกรธไม่หงุดหงิดใส่เขานะเราต้องใช้วิธีที่นุ่มนวล น, นะเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเออกายนี่คือบ้านนะที่เขาอยากจะกลับมาเขาก็จะกลับมา บ, าบา่อยๆแต่เราก็ต้องมีการนะการชักชวนเขาให้กลับมา บางทีเราการฝึกจิตนี่ก็เปรียบได้อีกอย่างหนึ่งเหมือนกับฝึกหมานะฝึกหมาน้อยๆฝึกลูกหมาลูกหมาเนี่ยเราอยากจะให้เขาอยู่บ้านนะแต่ว่าลูกหมาก็ชอบวิ่งออกไปเที่ยวนอกบ้านแล้วก็กลัวนะเพราะนอกบ้านนี่อาจจะมีรถมาชนหรือว่าไปแล้วไม่กลับมาเพราะหลงหรือว่ามีคนเห็นว่าเป็นหมาหน้าแล้วก็ขโมยไปเลย เราย้า่เขาอยู่ที่บ้านแต่ว่าเขาก็ไม่ค่อยชอบอยู่เขาชอบออกไปเที่ยวนอกบ้านเดี๋ยวพอเวลามีเสียงหมาเห่าข้างนอกเขาอยากจะไปบางทีก็เดินตามมีคนเดินผ่านหน้าบ้านหมาน้อยก็เดินตามวิ่งตามนะเพรเห็นเป็นเรื่องแปลกหรือว่าเพราะว่านดูคนนั้นถ้าทางเป็นมิตรเนี่ยอันนี้เราซึ่งเป็นเจ้าของเนี่ยเราทำไงถึงจะให้เขาอยู่บ้าน ถ้บางคนก็ใช้วิธีมัดนะใช้วิธีล่ามใช้วิธีขังเอาไว้นะก็ได้ผลเร็วนะเพราะว่าพอทําปุ๊บนี่มันก็ไม่ไปไหนแล้วแต่ว่าปัญหาก็จะตามมาเช่นพอขังบ่อยๆล่ามนานๆหมาก็จะหงุดหงิดหัวเสียนะกะถ้าเป็นงนี้ไปนานๆก็ จ, จะเป็นหมาก้าวร้าวโตวขึ้นก็เป็นหมาก้าวราวเอาแต่เห่าอยู่นั่นแหละ หรือไม่เช่นนั้นเนี่ยพอเชือกหลุดโซ่โซ่หลุดเนี่มันก็ไปเลยถ้าไม่ล่ามโซ่เมื่อไหร่ไม่ล่ามเมื่อไหร่มันก็ไปเมื่อ น, นั้นเรียกว่าได้ผลระยะสั้นนะแต่ระยะยาวนะก็มีปัญหาอีกวิธีนึ่งก็คือปล่อยมันนะปล่อยให้มันอยู่บ้านก็ได้มันจะวิ่งก็ได้ออกไปข้างนอกก็ได้แต่ว่าหน้าที่เราคือเรียกมันนะคอยเรียกมันบ่อยบอยะมันวิ่งไปก็เรียกมัน วิ่งไปไกลขนาดก็เรียกมันใหม่ๆก็ใช้เวลานานกว่ากว่าจะเรียกมันกลับมาเพราะว่ายังไม่คุ้นไม่เคยแต่ว่าพอเราเรียกบ่อยๆล่ะเราไม่เราไม่ไม่เบื่อที่จะเรียกนะเขาก็จะรู้นะว่าที่ทางเขาเนี่ยคือบ้านเขาก็จะค่อยกลับมากลับมากลับมาบ่อยๆกลับมาบ่อยๆเขาก็จะเขาก็จะรู้ เมื่อเขากลับมาบา่อยๆเขากลับมาบา่อยๆเขาก็จะรู้ละอ๋อเนี่ยคือที่ที่ที่เขาควรจะอยู่และต่อไปเขาก็จะเริ่มเชื่องแล้วเขาก็จะเริ่มอยู่ติดที่มีบางครั้งบางคราวอาจจะเพลอวิ่งออกไปข้างนอกได้ยเสียงมาา้าเห่าอยากไปดูเกิดอะไรขึ้นไปไปเดียวเดี๋ยวก็กลับมาเพราะว่านึกขึ้นมาได้ว่าเราต้องอยู่บ้านนะอยู่บ้านสบายกว่างั้นไปไปเดียวเดี๋ยวก็กลับมาทุดท้ายมาน้อย แล้วนะก็จะกลายเป็นหมาที่เชื่องอยู่บ้านนะพอใจที่จะอยู่บ้านมีสละที่จะไปนะแต่เลือกที่จะอยู่ในการฝึกจิตของเราเนี่ยก็คล้ายแบบเนียนะโดวยว่าการฝึกบรรลวพ่อเทียนนะซึ่งไม่มีการบริกรรมไม่มีการนับในะการบริกรรมหรือการนับนะหรือว่าการกําหนดเป็นคําพูดเนี่ยมันก็เป็นอุบายในการที่จะดึงจิตให้อยู่กับที่ คล้ายๆกับเป็นการล่ามเอาไว้เหมือนกันแต่ว่าของหลวมพ่อเทียนเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยท่านไม่มีการบริกรรมไม่มีการกําหนดเป็นคําพูดอะไรทั้งสิ้นนะแล้วก็ไม่มีการบังคับด้วยเป็นการเปิดอนุ ญ, ญาตให้จิตเนี่ยนะทําอะไรได้อิสระแต่ถ้าเกิดจิตเผลอคิดไปโน่นคิดไปนี่ก็พยายามเรียกเขากลับมา ใหม่ๆก็มีวิธีการเชิญชวนให้อยู่กับกายด้วยการให้ให้รู้สึกอยู่กับกายนะให้รู้สึกอยู่กับกายก่อนนะเวลาทําอะไรเวลายกมือเวลาเดินนะก็ให้รู้สึกนะคำว่ารู้สึกเนี่ยหมายถึงรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวนะรู้สึกว่ามือกําลังยกเท้าอ่ากำลังย่างแต่ไม่ต้องรู้ละเอียดนะรู้ว่ากายเคลื่อนไหวก็พอลนะให้รู้แค่กายก่อนนะ อย่าเพิ่งไปดูใจอย่าเพิ่งไปดูจิตนะถึงแม้ว่านั่นคือสิ่งสําคัญนะแต่ว่าถ้าไปเพอไปดูจิตตั้งแต่แรกเนี่ยไปเห็นอารมณ์ไปเห็นความโกรธไปเห็นความรู้สึกผิดไปเห็นความวิตกกังวลเนี่ยมันจะไม่ใช่แค่เห็นนะมันจะโจรเข้าไปเลยเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้เนี่ยรวมทั้งความคิดด้วยมันมีแรงดึงดูดมากนะมันดูดเข้าไปเลยนะ ดูดจิตเข้าไปเลยเพราะนั้นเนี่ยใหม่ๆเนีย่ยเพิ่งไปสนใจความคิดเนีย่ยเพิ่งไปสนใจอารมณ์ที่เกิดขึ้นแค่แค่มารู้กายก่อนให้รู้กายแล้วปรก็เป็นการรู้แบบอิสระนะหมายความว่าไม่ใช่บังคับให้รู้นะ่ให้รู้เองที่จริงไอ้ความการเคลื่อนไหวของกายเนี่ยหรือความรู้สึกนะเมื่อมือเคลื่อนไหวเมื่อเท้าหรือขากำลังขย่นขยับเนี่ย มันก็เหมือนกับเสียงเรียกนะเหมือนเสียงเรียกเวลาเราเดินจงกรมสร้างจังหวะใจลอยเนี่ยคิดไปสีห้าเรื่องแล้วสักพักเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวหรือว่าขากําลังขยื่อนขยับตรงนี้แหละเป็นเหมือนเสียงเรียกนะที่ทําให้จิตเนี่ยมันได้สติกลับมารู้สึกตัวกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวเราไม่ได้เรียกด้วยคําพูดนะเราไม่ได้เรียกด้วยคําพูด แต่เราใช้เนี่ยการความรู้สึกของกายเนี่ยเป็นเสมือนเสียงเรียกให้จิตที่เผลอเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวตลองสังเกตดูเนี่ยใจยมันคิดไปกี่เรื่องกี่ราวพอมันรู้สึกว่ากายเคลื่อนไหวรู้สึกว่ามือขึ้นขยับรู้สึกว่าตัวกลาลังเดินเนี่ยเขาจะเริ่มได้สติแล้วแล้วจิตก็จะกลับมา อยู่กับกายอยู่กับเนื้อกับตัวพอเจกคำนึกมาอยู่กับนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นมานีอันนี้เราใช้วิธีที่เรียกว่านุ่มนวลนะเป็นการเชิญชวนให้เขาเนี่ยกลับมาอยู่นิ่งๆเนี่ยกลับมาอยู่กับกายเอากายเป็นบ้านซึ่งก็คือเอาปัจจุบันเป็นบ้านนั่นเองนะเพราะว่าการฝึกนะการเชิญสติก็คือให้อยู่กับปัจจุบันนะ ปัจจุบันอาจจะเป็นกายที่กำลังเคลื่อนไหวอาจจะเป็นกายที่กำลังทำงานเช่นถึงแม้เราไม่ได้สร้างจงอะงไม่ได้เดินจงกรมเรากำลังถูฟันล้างหน้านะตอนนั้นคือปัจจุบันละใจก็อยู่กับปัจจุบันตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นเนี่ยนี่คือหลักการเจริญสตนะิง่ายๆนะทำอะไรก็ตามถ้าตัวอยู่ตัวอยู่ไหนใจอยู่นั่นนั่นแหละนะเป็น นั่นแหละความรู้สึกตัวก็เกิดขึ้นแล้วให้ถือหลังง่ายๆแบบนี้นะตัวอยู่ห้องนอนนะใจก็อยู่ที่ห้องนอนด้วยนะตัวอยู่วัดใจก็อยู่วัดเวลาทำงานขับรถไปทำงานตัวอยู่ที่รถนะใจก็อยู่ที่รถด้วยนะไม่ใช่ไปอยู่ที่ที่ทางานแล้วไม่ใช่ใจไปอยู่ที่สัญญาณไฟ สัญญาณจราจรนะบางคนเนี่ยนะไปจดจออยู่ที่สัญญาณไฟนั่นแหละนะมันก็เลยหงุดหงิดนะว่าเมื่อไหร่มันจะเปลี่ยนจากแดงเป็นเขียวสักทีอีกต้องนานเนะี่ยอีกต้องร้อยยสิบวินาทีต้งร้อยแปดสิบวินาทีนะถ้าเราดึงจิตกรรมอยู่กับปัจจุบันอยู่กับเนื้อกับตัวอยู่กับอ่าอยู่กับพาใจมาอยู่ที่รถนะกายอยู่ที่รถใจก็อยู่ที่รถ เราจะพบว่ความหมงุดหงิดเนี่ยมันคลี่ลายลงไปอย่าไปคิดว่าการเจริญสติมันมีแค่ยกมือสร้างจังหวะมีแค่เดินจงกรมนะเวลาเราอาบน้ำํำเราก็เจริญสติได้นะเวล า, าล้างจานเราก็ล้างจานยังมีสติได้เวลาเรากินข้าวกินข้าวยังมีสติได้ก็คือใจอยู่กับปัจจุบันใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะการเจริญสติเนี่ยเราฝึกเราไม่ได้ดูความก้าวหน้าว่า วัดว่าใจมันฟุ้งแค่ไหนแต่เราดูว่ารู้ทันเพียงใดต่างหากมันจะฟุ้งไปกี่ครั้งก็รู้ทันทุกครั้งนะแล้วก็รู้ทันไวขึ้นไวขึ้นบางคนไปเข้าใจว่าการเจริญสติเนี่ยความก้าวหน้าวัดตรงที่ว่าใจมันฟุ้งน้อยลงหรือใจมันไม่คิดเลยอันนั้นไม่ใช่นะเพราะบางทีใจไม่คิดเนี่ยก็เพราะไปบังคับมันเอาไว้แต่เราวัดตรงที่ว่าเมื่อมันเพลแล้วเนี่ยรู้ทัน ไว้รู้ทันเร็วแค่ไหนพอสติแปลว่าความระลึกได้นะความระลึกได้ระลึกได้ในที่นี้เนี่ยก็หมายถึงว่าระลึกได้ไว้นะระลึกได้ไวใจลอยก็เพราะลืมตัวนะแต่พอนึกขึ้นมาได้ว่ากําลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นะกําลังสวดมนต์อยู่กําลังยกมือสร้างจังหวะอยู่กําลังเดินจงกรมอยู่กําลังถูฟันอยู่กําลังกินข้าวอยู่ ให้ความเราลึกได้อย่างนี้แหละนะที่ถ้าเราทำบ่อยๆจทำให้สตินิกำลังนะแล้วก็สติก็จะช่วยทำให้นะใจเนี่ยมันอยู่เป็นที่เป็นทางถึงเวลาคิดก็คิดอย่างมีสติไม่คิดวกวนนะมีมีทิศ ท, ทางนะในการคิดเหมือนกับเรือที่มีหางเสือถ้าเรือไม่มีหางเสือบทีเรือก็อกอวนไปวนมานะ ความคิดลอมที่ก็วนไปวนมาถึงแม้จะคิดคิดคิดแต่ว่าเป็นการคิดที่ไม่มีคุณภาพเลยเพราะมันคิดวกไปวนมาแต่ถ้าเราคิดยังมีสตินะมันก็จะคิดยังมีทิศทางนและถึงเวลาที่จะหยุดคิดเราก็วางความคิดได้ง่ายเวลาเผลอเผลอตัวเพราะมีอารมณ์เกิดขึ้นเช่นความโกรธความเศร้าเนี่ย ทุกครั้งที่มันเกิดขึ้นเพราะเราเผลอนะเพราะเราลืมตัวนะให้สังเกตหรือว่าให้ตระหนักเอาไว้แต่พอเรารู้ตัวเมื่อไหร่นะหรือเกิดความระลึกได้ขึ้นมาเมื่อไหรนะ่เนี่ยไอความไออารมณ์ที่มารบกวนจิตใจก็จะหายไปนะเพียงแค่ความระลึกไดนะ้เพียงแค่ความรู้ทันเนี่ยนะก็ทําให้มันเนี่ยมาถึงอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะมันจางหายไป ไม่ต้องไปทำอะไรกับอารมณ์ไม่ต้องไปกดข่มมันคนมีเคยมีคนถามหลวงปู่ดูลยอตุโลว่าหลวงปู่ทำไงจะตัดความกดให้ขาดหลวงปู่ท่านตอบว่าไม่มีใครตัดให้ขาดได้หรอกมีแต่รู้ทันมันรู้ทันมันก็ดับไปเองดับไปเองเนี่ยมันดับไปเองเพราะอะไรเพราะว่ามีความรู้สึกตัวเกิดขึ้นเป็นเพราะความไม่รู้สึกตัวเป็นเพราะความลืมตัวนะมันจึง ได้ช่องอารมณ์ก็เลยได้ช่องเข้ามาครองใจนะแต่พอรู้ตัวแต่พอรู้ทันเนี่ยมันก็หายไปเหมือนกับว่าฟืนเนี่ยเหมือนก็กองไฟเนี่ยนะมันไม่ยอมดับเพราะว่าเราไปเติมฟืนให้มันอยู่บ่อยๆเติมเชื้อให้มันอยู่บ่อยๆการที่หลงเข้าไปในอารมณ์เนี่ยหรือว่าคุ้นคิดถึงแต่เรื่องที่ทําให้เราโกรธเนี่ยก็คือการเติมเชื้อเติมฟืนให้มัน แต่พอเรามีสติเราวางความคิดเราไม่พลัดเข้าไปในอดีตไม่เป็นนึกถึงเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะเรากลับมาอยู่กับปัจจุบันก็เหมือนกับว่าไฟกองนั้นเนี่ยมันไม่มีคนเติมเชื้อเติมฟืนให้มันละมันก็จะดับไปเองไฟเนี่ยนะมันดับไปเองทุกครั้งนะถ้าเราไม่ไปเติมอะไรให้มันนะแต่ที่มันลุกเพราะเราไปเติม เติมอยู่บ่อยก็การนึกถึงมั น, นบ่อยๆนึกถึงมั น, นบ่อยๆการนึกถึงอะไรก็ตามก็คือการเติมเชื้อเติมฝืนให้มันไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นเรื่องที่ทําให้เศร้าที่ทําให้โกรธที่ทําให้โมโหทําให้เจ็บปวดทาให้ท้อแท้ก็ตามและที่นึกถึงมันเพราะอะไรเพราะลืมตัวเพราะไม่มีสติเนี่ยเพียงแค่รู้ตัวรู้ทันหรือว่ามีความรู้สึกตัวขึ้นมาเนี่ยจิตก็กลับมาเป็นปกติได้ เป็นการรู้แบบรู้เฉยๆรู้ซื่อๆ อ, อย่างที่หลวงพ่อกำเคียนหลวงพ่อเทียนท่านเน้นให้รู้ซื่อๆรู้ว่าคิดก็ก็แค่รู้ว่าคิดนะไม่ต้องทําอะไรกับมันคําว่าเฉยๆหรือซื่อๆคือไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องไปผักสายมันหรือไม่ต้องไปเคิมคล้อยลหลงไหลไปกับมันถ้าเป็นอารมณ์สุขก็แค่ดูมันเฉยๆแค่รู้เฉยๆไม่ต้องไปร่วมวงกับมัน ถ้าเป็นความกลัวเป็นความโมโหเป็นความเศร้าก็รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปกดข่มมันไม่ต้องไปมันต้องไ ม, ไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับมันด้วยซ้ําเหมือนกับที่พูดเมื่อวานเนี่ยมีเสียงดังเออแล้วก็รู้เฉยเฉยไม่ต้องไปทะเลาะ ก, กับมันนหลวงพ่อพชาติท่านบอกเนี่ยโยมไปคิดว่าเสียงมารบ ก, กวนเราเนี่ยที่จริงเราต่างหากไปรบ ก, กวนเสียงคือเราไปทะเลาะ ก, กับมัน ไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่แค่ได้ยินเฉยๆนะแต่ว่าไปทะเลาะกับมันไปตะเลาต่อเทียงกับมันนะเสียงดังเราก็แค่รู้เฉยๆนะสักแต่ว่ารู้นะมันก็ไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นในใจไม่มีความหงุดหงิดไม่มีความโกรธอจิตเนี่ยแค่อยู่นิ่งๆนะแค่รับรู้เฉยๆเนี่ยทุกอย่างก็ราบรื่นแต่มันไม่ชอบอยู่เฉยๆมันชอบไปรวมลรำพันตูนะ ช อ, ชอบไปต่อลาะต่อเถียงกับเสียงที่ได้ที่ได้ยินกับความร้อำทิที่มากระทบกายนะกับความเจ็บที่เกิดขึ้นที่ขาที่เท้ามันชอบไปทะเลาะมันชอบไปผักสายเสร็จแล้วมันก็ถูกดูดนะถูกเวทนาถูกความปวดความเมื่อยดูดไปเลยดูดกลื่นหายไปแทนที่จะรู้เฉยเฉยแทนที่จะเห็นเฉยเฉก็เข้าไปเป็นผู้เป็นหลวงพ่อเขียนถ้ากําเนิดอยู่เสมอว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นนะ เห็นเวทนาให้มันปวดความเมื่อยนะอย่าเข้าไปเป็นผู้ปวดผู้เมื่อยนะแต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นนะเข้าไปเป็นเลยการที่จะเห็นความโกรธอ่ะเป็นผู้โกรธไปซะที่เป็นผู้โกรธเพราะอะไรเพราะจิตมันอยากจะเข้าไปผักใส่ความโกรธจะเข้าไปกดข่มแต่แล้วก็เลยถูกมันดูดไปเลยนะถ้าจิตเนี่ยอยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆอยู่กับเนือกับตัวนะอยู่กับตัวรู้นะ อยู่กับตัวรู้เฉยเฉยเนี่ยไม่ต้องทําอะไรมันแค่ดูเฉยเฉยเนี่ยก็ไม่มีอะไรทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นปกติให้คำว่ารู้เฉยเฉยมันสําคัญมากที่เรต้องฝึกฝึกอยู่บ่อยๆฝึกให้มันเป็นนิสัยนะใจมันฟุ้งก็รู้เฉยเฉยไม่ต้องรุนห์เหงียความฟุ้งถ้าไปงดหงียกับมันนะก็จะมันก็จะฟุ้งไม่เลิกนะเพราะว่าพองุดหงียกับมันก็จะเผลอไปกดข่มมันพอเผลอไปกดข่มมัน ก็ถูกมันเล่นงานเลยมันมีคนหนึ่งพูดไว้ดีบอกว่าอะไรที่ผักใสจะคงอยู่อะไรที่ตระหนักรู้จะหายไปยิ่งผักใส ย, ยิ่งกดข่มมันก็ยิ่งอยู่ยิ่งดือ้อยิ่งด้านยิ่งรบกวนรังควานหนักขึ้นแต่ถ้าเพียงแค่ตระหนักรู้มันมันก็จะหายไปนะใช้โอกาสนี่แหละฝึกนะฝึกดูนะรู้เฉยเฉยนะรู้ซื่อ อ่าเช้านี้พวกกันทานนี้อ่กราบพระ